Book 2 17 17รอบบ้านใ hu ้านบ้านของเราอยู่ที่นี่นี้คือบ้านของเราหลังคาอยู่ข้างบนทาก็อยบน ห้องใต้ดินอยู่ข้างล่างมีสวนอยู่ข้างหลังบ้านบ้านข้นนหน้าหบ้าน้าบ้านข้้านข้ข้างบ้าน้ข้างบ้าน อพาร์ตเมนต์ของดิฉันอยู่ที่นี่ดัตเตอร์อาร์เลียลลิเห้องครัวและห้องน้ำอยู่ที่นี่บห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่ที่นี่ประตูบ้านปิดดอล แต่หน้าต่างเปิด Men วิ n ดูเน่แ r ร p เ e วันนี้อากาศร้อน Det ย r er v ว r ร t i dag าเรากำลังไปที่ห้องนั่งเล่น Vi går inn i n อีสตู a มีโซฟาและเก้าอี้นุ่มตั้งอยู่ที่นั่น d า r ์ r d e ์เดนโซฟาแ en l e n เลนส เชิญน an ั an ่งค่ะคอมพิวเตอร์ของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นสเตริโอของดิฉันตั้งอยู่ตรงนั้นชุดทีวีเป็นของใหม่ทีวี